เริญพรท่านผู้มีเจตเมตตากรุณาใจบุญใจกุค์ทุกๆท่านวันนี้เป็นวันเสราร์ที่ 3, สามพฤภาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาประกอบคุณงามความดี ทำสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ทั้งกับตนเองและแก่ผู้อื่นเช่นการทำทานการรักษาศีลการปฏิบัติ ธ, ธรรมการฟังเทศน์ฟังธรรมที่พร้เจ้าทรงสอนให้หมั่นปฏิบัติกันอยู่เรื่อยๆเพราะจะนําความเจริญความสุขความเป็นสิริมงคล มาให้แก่ชีวิตโดยเฉพาะการฟังเทศฟังธรรมเป็นการมารับแสงสว่างแห่งธรรมที่จะนำพาชีวิตให้ไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองให้เราได้อยู่ห่างไกลจากความทุกข์จากความเสื่อมต่างๆ การฟังเทศฟังธรรมนี้เราจะได้ยินได้ฟังเรื่องที่เราไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกันเพราะเรื่องของธรรมะเป็นเรื่องที่คนไม่ค่อยรู้จักกันแล้วก็เป็นเรื่องที่คนไม่ค่อยสนใจกันเพราะไม่เข้าใจหรือไม่เห็นคุณค่าของการฟังเทศฟังธรรม และอาจจะเป็นเพราะว่าเวลาฟังแล้วเกิดความสแสลงใจขึ้นมาได้เนื่องจากธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นเหมือนยาขมที่ไม่ใช่เป็นเหมือนขนมหวานคนเราส่วนใหญ่ชอบขนมหวานชอบฟังสิ่งที่เจริญหู จเจริญใจแต่สิ่งที่เราได้ยินได้ฟังที่เราจเจริญหูจเจริญใจนี้กับไม่ได้เป็นประโยชน์กับจิตใจแต่กับจะเป็นโทษกับจิตใจเหมือนกับขนมหวานต่ตางๆที่เราชอบรับประทานกันที่ไม่ได้เป็นคุณเป็นประโยชน์กับร่างกาย แต่เป็นโทษกับร่างกายถ้ารับประทานมากเกินไปจะทำให้เป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆตามมาได้ส่วนยาขมที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับร่างกายพวกเรากับไม่ชอบรับประทานกันเพราะว่ามันไม่ถูกปากถูกใจนั่นเอง แต่ถ้าเรามีโรคภัยไข้เจ็บเราก็ต้องฝืนทับประทานยาขมเพราะเราอยากจะให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บธรรมะก็เป็นเหมือนยาขมที่มีไว้สำหรับรักษาโรคใจนี่เองปัญหาของพวกเราก็คือว่าเราไม่รู้ว่าเรามีโรคใจกัน เราจึงไม่ค่อยสนใจที่จะรับประทานยากันโรคใจจึงเป็นโรคเรื้อรังติดมาข้ามภพข้ามชาติเพราะว่าเราไม่ชอบกินยาขมไม่ชอบกินธรรมโอสถธรรมโอสถก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พวกเราจะไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกัน จะได้ยินได้ฟังก็ต่อเมื่อมาวัดวัดนี้ก็เป็นเหมือนโรงพยาบาลเป็นเหมือนร้านขายยาถ้าเราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเราจะไม่ไปโรงพยาบาลเราจะไม่ไปร้านขายยาแต่เวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเรามักจะไปกันส่วนใหญ่ไปก็มักจะสายเกินไป เพราะว่าเป็นขั้นสุดท้ายถ้าเป็นมะเร็งก็เป็นขั้นสุดท้ายหมอพยาบาลสายหัวบอกว่ารักษาไม่ได้เสียแล้วสายเกินไปไม่มาแต่เนิ่นๆไม่มาอยู่เรื่อยๆมาคอยตรวจสุขภาพอยู่เรื่อยๆเพื่อที่เวลาเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมา จะได้แก้ไขทันการจะได้รักษาโรคภัยนั้นให้หายไปได้โรคภัยของพวกเราก็คือความทุกข์ใจที่เกิดจากความแก่เกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดจากความตายเกิดจากการพัพราดพลาดจากสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบจากสิ่ง จากบุคคลที่เรารักบุคคลที่เราชอบและการจับการประสบกับสิ่งที่เราไม่ชอบนี่คือโรคภัยของพวกเราที่พวกเราเผชิญกันอยู่เรื่อยๆบางเวลาไม่หนักมากพอทูถ่ายพอทนได้แต่บางเวลาก็หนักมากจนถึง กับอยากจะกระโดดตึกตายถ้าถึงเวลานั้นมันก็จะสายเกินแก้แต่ถ้าเราได้มาวัดอยู่เรื่อยๆได้มารับยาของของพระพุทธเจ้าไปรับประทานอยู่เรื่อยๆเราก็จะมีภูมิคุ้มกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเวลาเกิดขึ้นก็จะไม่รุนแรง ไม่ถึงกับให้เราสะเทือนอกสะเทือนใจไม่ถึงกับทำให้เราอยากจะฆ่าตัวตายหรืออยากจะฆ่าคนอื่นให้ตายไป <c oughs> นี่คือธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นเหมือนยาขมที่พวกเราไม่ชอบฟังกันแต่เราต้องบังคับตัวเราเองต้องมองว่า เป็นของที่มีคุณมีประโยชน์กับจิตใจของเราเพราะจะช่วยรักษาโรคมะเร็งที่เรื้อรังที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปได้ถ้าเรามีโรคมะเร็งในร่างกายเรานี้เราก็ต้องอยากจะหาหมอหายาที่สามารถรักษาโรคมะเร็งของเราให้หายได้ วิธีรักษาจะเจ็บจะปวดจะทรมาอย่างไรเราก็กล้าเราก็ทนได้เพราะเรารู้ว่าหลังจากที่รักษาแล้วเราจะหายจากโรคนี้ได้เราจะได้ไม่ต้องตายกับโรคนี้ไปฉันใดยาของพระพุทธเจ้าก็เป็นเหันยาวิเศษที่จะสามารถรักษาโรคมะเร็ง ของใจได้โรคมะเร็งของใจก็คืออะไรคือความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราอยู่ตลอดเวลาและการเวียนว่ายตายเกิดหลังจากที่ร่างกายนี้ตายแล้วใจของเราไม่ตายใจของเราก็ไปเกิดใหม่แล้วก็ไปทุกกับร่างกายใหม่ไปแก่ใหม่ไปเจ็บไปตายใหม่ นี่คือโรคมะเร็งของใจที่เรื้อรังเป็นโรคข้ามพบข้ามชาติรุนแรงกว่าโรคมะเร็งของร่างกายที่จบที่การตายของร่างกายแต่โรคมะเร็งทางใจนี้ไม่จบตอนที่ร่างกายตายไปแล้วโรคมะเร็งยังมีต่อไปอยู่ในใจเพราะเชื้อของมะเร็งนั้น อยู่ในใจนั่นเองเชื้อของมะเร็งคืออะไรก็คือกิเลสตัณหานี่เองความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆอันนี้แหละที่เป็นเชื้อของโรคมะเร็งตัวที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานใจอย่างไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นถ้าเราได้มา วัดเรามาได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆเราก็จะได้รับยาไปรับประทานเพื่อทำลายเชื้อของโรคมะเร็งคือกิเลสตัณหากิเลสตัณหานี่กลัวอะไรกิเลสตัณหากลัวความจริงความจริงคืออะไรก็คือความแก่ความเจ็บความตายความพัฒภา จากสิ่งที่เรารักเราชอบจากบุคคลที่เรารักเราชอบพระพุทธเจ้าส่งมอบความจริงนี้ให้กับเราเป็นยาที่จะมาตัดกิเลสตัณหาความอยากต่างๆให้หมดไปถ้าเราคิดถึงความแก่อยู่เรื่อยๆคิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เรื่อยๆคิดถึงความตายอยู่เรื่อยๆคิดถึงการสูญเสีย การสิ้นสุดของสิ่งต่างๆของการพัดพาจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆเราจะไม่อยากได้อะไรเพราะเรารู้ว่าได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปอยู่ดีเวลาได้มาเราดีอกดีใจมีความสุขแต่เวลาที่เราต้องสูญเสียสิ่งที่เราได้มา เราจะเศร้าโศกเสียใจแต่ถ้าเราไม่มีอะไรเราก็จะไม่มีอะไรที่จะต้องสูญเสียถ้าเราไม่มีสามีไม่มีภรรยาเราก็จะไม่มีสามีไม่มีภรรยาที่จะต้องสูญเสียถ้าเราไม่มีบุตรไม่มีธิดาไม่มีลูกไม่มีหลานเราก็จะไม่ต้องมา สูญเสียบุตรธิดาเสียลูกเสียหลานนี่คือความจริงที่พวกเราไม่ค่อยได้คิดกันคิดแต่อยากจะได้อย่างเดียวอยากจะได้สามีอยากจะได้ภรรยาอยากจะได้ลูกอยากจะได้หลานแต่ลืมคิดไปว่าได้อะไรมาไม่ช้าก็เล็วก็ต้องเสียสิ่งนั้นไปเวลาเสียนี่มันเป็นยังไง เวลาเสียสุขไหมหรือว่าทุกข์กันนี่แหละพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราให้คิดถึงความแก่คิดถึงความเจ็บใข้ได้ป่วยคิดถึงความตายคิดถึงการสูญเสียการพัดพาดจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆที่เรารักที่เราชอบ ถ้าเรามีเราก็จะได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้รับกับเหตุการณ์ถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องสูญเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปพัดพากจากคนนั้นจากคนนี้ไปถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้เวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นเราจะไม่ทุกข์ใจเพราะเรารู้ว่ามันจะต้องเกิดแล้วเราทําใจ รับกับเหตุการณ์นั้นได้นี่คือความความจริงที่พระพุทธเจ้าต้องการให้พวกเราคิดกันอยู่บ่อยๆและลึกกันอยู่บ่อยๆถ้าเราละลึกแล้วเราจะไม่ลืมพอเราไม่ลืมเราจะคอยเตรียมตัวเตรียมใจอยู่เรื่อยๆเหมือนกับเรารู้ว่าวันนี้เราต้องทำอะไร ถ้าเราจำได้ว่าเราต้องทำอะไรเราก็จะเตรียมตัวเตรียมการเอาไว้พอถึงเวลาเราก็ไปทำสิ่งต่างๆแต่ถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้พอถึงเวลาต้องทำเราก็จะทำไม่ได้ทำแบบผิดๆถูกๆเพราะเราไม่ได้เตรียมตัวเอาไว้นั่นเองการคิดถึงความจริงต่างๆเหล่านี้ ในเบื้องต้นอาจจะทำให้เรารู้สึกหดหู่ใจไม่สบายใจก็ ข, ขอให้เราคิดว่าเป็นเหมือนกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคก็แล้วกันเพราะร่างกายเราถ้าเราไม่ฉีดวัคซีนเวลามีโรคระบาดหรือเวลาเราติดเชื้อโรคขึ้นมาร่างกายของเราก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วย และอาจจะต้องถึงกับตายไปก็ได้แต่ถ้าเราฉีดวัคซีนไว้ป้องกันเวลาฉีดนี้เราอาจจะรู้สึกแพ้บ้างเป็นไข้บ้างมีอาการไม่ค่อยสบายบ้างแต่ก็เป็นเพียงระยะสั้นๆสองสามวันหลังจากนั้นก็จะหายและร่างกายของเราก็จะมีคุณคุคุ้มกันโรคต่างๆ เวลาเกิดโรคหรือเวลาไปติดเชื้อโรคมาร่างกายของเราก็จะไม่เจ็บไข้ได้ปวดใจของเราก็แบบเดียวกันใจของพวกเราก็ต้องฉีดวัคซีนเหมือนกันวัคซีนก็คือธรรมะคำสอนของพระพระเจ้านี่ที่ทรงสอนให้เราราเลิอกอยู่เรื่อยๆจงพิจารณาอยู่เนืองๆว่าเราเกิดมาแล้ว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 เราต้องประสบกับเหตุการณ์ต่างๆที่เราไม่ปรารถนาร่วมพ้นไปไม่ได้นี่คือความนี่คือการฉีดวัคซีนให้กับใจของเราเวลาฉีดใหม่ๆเราจะรู้สึกหดหู่ใจพอคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายแล้วมันเหมือนกับจะหมดเรี่ยวหมดแรงความจริง ผู้ที่หมดเรี่ยวหมดแรงนี้ไม่ใช่ใจหรอกผู้ที่หมดเรี่ยวหมดแรงก็คือกิเลตัณหานี้เองความโลภความอยากต่างๆพอรู้ว่าจะต้องตายนี้มันไม่มีการจิตกระจายที่อยากจะโลภอยากจะได้อะไรไม่อยากจะทำนูน่ทนทานี่ไม่อยากจะมีนั่นมีนี่อันนี้แหละเป็นคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจถึงแม้ว่าจะรู้สึกว่า ไม่ค่อยสบายใจก็เป็นชั่วระยะสั้นๆต่อไปพอความโลภความอยากมันหายไปทีนี้ก็มีแต่ความเบา อ, อกเบาใจมีแต่ความสุขความสบายใจจะไม่วุ่นวายจะไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆเหมือนอย่างที่พวกเรากำลังทุกข์กำลังวุ่นวายกันอยู่ทุกวันนี้ความทุกข์ความวุ่นวายใจของพวกเรานี้เกิดจากอะไร ถ้าไม่ได้เกิดจากความโลภเกิดจากความอยากต่างๆนี่เองเวลาโลภเวลาอยากได้อะไรนี่อยู่เป็นสุขไ้ยอยู่เฉยๆได้ไหมเวลาอยากจะได้แฟนนี้อยู่เฉยๆได้หรือเปล่าอยู่บ้านเฉยๆไม่โทรหาแฟนไม่ไปหาแฟนได้หรือเปล่าอยู่ไม่ได้หรอกต้องออกไปหาแฟนต้องไปเที่ยวกับแฟน ไปทำนุ่นทำนี่กับแฟนเวลาไปก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพราะว่าจะไปไหนมาไหนจะไปเที่ยวที่ไหนมาไหนมีค่าใช้จ่ายมีค่าใช้จ่ายก็ต้องมีรายได้จะมีรายได้ก็ต้องมีงานทำทางานไปก็ต้องเคียดกับงานเพราะไม่อไมชอบทางานแต่ยากได้เงินเดือน เวลาโดนเจ้านายว่าเจ้านายสั่งก็ไม่พอใจไม่สบายใจเวลาถูกขู่ให้ออกจากงานก็ยิ่งจะไม่สบายใจใหญ่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เกิดจากการอยากได้เงินเพื่อที่จะได้ไปเที่ยวกับแฟนเท่านั้นเองถ้าไม่อยากได้แฟนแล้วก็ไม่ต้องมาวุ่นวายไม่ต้องไปดิ้นรนหาเงินหาทองเพื่อที่จะได้ เอาเงินทองพาแฟนไปเที่ยวพอมีแฟนแล้วต่อไปก็ต้องแต่งงานกันก็ต้องดิ้นรนหาเงินหาทองซื้อบ้านกันซื้ออะไรต่างๆกันพอมีบ้านแล้วต่อไปมีลูกก็ต้องดิ้นรนหาเงินหาทองมาเลี้ยงลูกลูกจะเข้าโรงเรียนก็ต้องดิ้นรนไปหาโรงเรียนโรงเรียนธรรมดาอยู่ใกล้บ้านก็เรียนไม่ได้ ต้องไปหาโรงเรียนดีๆเพื่อลูกจะได้ได้มีการศึกษาที่ดีเพื่อต่อไปลูกจะได้มีงานทำดีที่ดีมีรายได้ที่ดีมีความสุขแต่แทนที่จะมีความสุขก็จะเป็นเหมือนเราลูกเราก็ต้องดิ้นหาเงินหาทองเพื่อที่จะได้เอาเงินมาเลี้ยงแฟนมาพาพาแฟนไปเที่ยวแล้วก็ต้องริ่นอนหาเงิน ซื้อบ้านเพื่อที่จะได้แต่งงานกันซื้อข้าวซื้อของอะไรต่างๆนับนานานับประการนี่คือเรื่องของความดิ้นรนความวุ่นวายของใจที่จะต้องต่อสู้กับอุปตะศาสต่างๆเพราะการทำงานการหาเหงานินนี้มันไม่เหมือนกับการนั่งรอรองน้ำฝนที่ตกลงมาจากฟ้า มันต้องดิ้นลนต้องใช้สติใช้ปัญญาใช้กลยุทธ์วิธีการต่างๆหลากหลายแล้วได้มาแล้วบางทีก็หายไปถูกขโมยไปบ้างถูกคนอื่นโกงไปบ้างสร้างความปวดหัวสร้างความเสียอกเสียใจต่างๆนาน า, น า, นานให้กับเราตลอดเวลานี่แหละเกิดจากความโลภความอยากต่างๆนี่เอง ถ้าเราลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายได้เมื่อไรมันจะทำให้ความโลภความกความโลภความอยากนี้มันอ่อนกำลังลงทันทีเราอาจจะถามตัวเราเองว่าจะหามันไปทำไมหาไปแล้วในที่สุดก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเหนื่อยแทบเป็นแทบตายเวลาตายไปเอาอะไรไปได้บ้างก็เอาไปแต่เรื่องของความวุ่นวายใจ ความกังวลใจความไม่สบายอกไม่สบายใจเพราะเป็นสิ่งที่เราสร้างมันอยู่ทุกวันทุกเวลานั่นเองเราไม่เคยสนใจที่จะมาสร้างความสงบให้กับใจไม่เคยสร้างความสบายใจให้กับใจของเราเลยเพราะเราไม่รู้จากวิธีนั่นเองเราเกิดมาพ่อแม่ก็สอนให้เราหาเงินหาทองหาครอบครัว หาทรัพย์สมบัติหาความสุขต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่ความจริงมันเป็นการหาความวุ่นวายโดยที่เราไม่รู้สึกตัวมีใครบ้างไม่วุ่นวายกับชีวิตตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนนอนหลับนี่มีวันไหนบ้างไหมที่ไม่มีความวุ่นวายใจไม่ว่ากับเรื่องนั้นก็ดีหรือเรื่องนี้ก็ดีกับคนนั้นก็ดีหรือกับคนนี้ก็ดี เรามีความวุ่นวายใจอยู่ตลอดเวลาเพราะเราไม่เคยคิดถึงความแก่คิดถึงความเจ็บคิดถึงความตายเวยเติ่นขึ้นมาก็มีแต่ความโลภความอยากอ้าปากรอรับเราอยู่แล้วเตื่นขึ้นมาก็อยากจะกินแล้วอยากจะเดิมแล้วพอเดิมเสร็จแล้วก็อยากจะไปนู่นทำนู่นทำนี่ต่ออยากจะดูอยากจะฟังต่อพอดูดนกะดูแนละ้วฟังแล้วก็ เห็นโฆษณาบอกว่าที่นั่นดีที่ดี่ดีก็อยากจะไปต่ออีกมันมีแต่ความยอยากคอยตะล้อมใจเราล้อมล้อมรอบล้อมใจเราอยู่ตอลอดเวลาจนทำให้เรานี้ไม่มีเวลาที่จะอยู่เฉยๆเลยอยู่ไม่ได้เวลาอยู่เฉยๆแล้วมันหงุดหงิดลำคาญใจ เวลาอยู่คนเดียวมันรู้สึกเศร้าสร้อยเหงาเหงาว่าเวความรู้สึกเหล่านี้มันเกิดจากความอยากของเราเกิดจากความโลภของเราถ้าใจเราไม่มีความโลภไม่มีความอยากรับรองได้ว่าอยู่เฉยๆนี่แสนจะสบายไม่มีอะไรจะสบายเท่ากับอยู่เฉยๆอยู่คนเดียวไม่ต้องมีอะไรนี่แหละคือใจของพระพุทธเจ้า ใจของพาอาาระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านอยู่อย่างสบายท่านอยู่อย่างไม่มีความโลภไม่มีความอยากไม่มีความวุ่นวายใจไม่มีความเดือดร้อนใจเหมือนกับพวกเราพวกเราก็สามารถอยู่แบบพระพุทธเจ้าได้ถ้าเราทําตามแบบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ใช้การคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายนี่แหละ ที่ทำให้ท่านตัดหรือละความโลภความอยากต่างๆได้เช่นตอนที่เสด็จออกจากพระราชวังไปประาพาสนอกวงังไปชมเหตุการณ์ต่างๆนอกพระราชวางังที่พระองค์ไม่เคยออกไปดูมาก่อนพอออกไปก็เห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตาเห็นนักบวชพอเห็นแล้วก็ทำให้ท่าน ตัดความโลภตัดความอยากได้ท่านเลยเห็นว่าต่อไปก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วโลภไปทำไมโลภแล้วได้อะไรก็ไม่มีอะไรเวลาตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้เอาไปก็เอาไปแต่ความวุ่นวายใจที่เกิดจากความโลภเกิดจากความอยากนี่เองเพระองค์ก็เลยตัดสินใจออกบวชเป็นนักบวช เพื่อที่จะได้ปฏิบัติทำเพื่อที่จะได้ทำลายความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจพอทำลายได้หมดแล้วพระองค์ก็ประทับอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆเพราะไม่มีความโลภไม่มีความอยากได้อะไรได้มาก็ไม่ได้ดีใจเสียไปก็ไม่ได้เสียใจ เพราะใจมีความพออยู่ในใจนั่นเองความพอเกิดจากอะไรความพอก็เกิดจากความไม่มีความโลภไม่มีความอยากนี่เองการไม่มีความโลภไม่มีความอยากก็เกิดจากการเห็นความแก่ความเจ็บความตายเห็นการพัดพลาดจากของรักของเจริญใจไปนั่นเองนี่แหละคือยาของพระพุทธเจ้า ที่ส่งมอมให้กับพวกเราเป็นยาขมแต่ถ้ารับประทานไปบ่อยๆแล้วจะหายขมเพราะว่าเราจะชินกับความขมใหม่ๆเราจะต่อต้านเพราะเราไม่ชอบเราชอบของหวานแต่ของหวานนี้มันเป็นพิษเป็นภัยถ้าเราเห็นว่าเราจะอยู่ไปตลอดถ้าเราคิดว่าเราจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย เราจะรู้สึกสบาย อ, อกสบายใจเว <c oughs> ลาใครให้อวยพรให้เราว่าขอให้อยู่เป็นร้อยปีพันปีนี้ยิ้มหน้าบานไปหมดทั้งๆ ท, ท, ที่มันไม่เป็นความจริงเลยเราก็ยังชอบใจเลยแต่พอเราได้ยินได้ฟังความจริงนี้เรากลับหน้าบื้อตึงหน้าหงิกหน้างอขึ้นมาทันทีกลับไปโกรธคนที่เขาให้ความจริงกับเราหาว่าสาบหาว่าแช่งให แก่ให้เจ็บให้ตายคนเราไม่ต้องสาบหรอกของพวมนี้ถึงเวลามันแก่มันเจ็บมันตายด้วยกันทุกคนต่อให้มาชมว่าจะอยู่ไปเป็นสาวพันปีมันก็อยู่ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันไม่เป็นความจริงดังนั้นยาวอย่าไปติดของหวานกันของหวานมันทำให้เราหลงทำให้เราไม่เตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์ความจริง เวลาแก่จะรับไม่ได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะรับไม่ได้เวลาตายจะรับไม่ได้จะอยากจะกระโดดตึกตายเพียงอย่างเดียวดังนั้นขอให้พวกเราบังคับตัวเราเองฝืนใจพยายามกินยาขมของพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันจะกลายเป็นยาหวานไปต่อไปเวลาคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายนี้ ความโลภความโกรธความอยากนี่หดตัวไปเลยเวลาโกรธใครนี้พอคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายนี้หายโกรธเลยหายโลภเลยไม่เชื่อลองเอาไปทำดูถ้าไม่ได้เป็นอย่างที่ว่านี่มาบอกให้ฟังมาถา ม, มาเล่าให้ฟังถ้าไม่เป็นก็เพราะว่าเรายังคิดไม่ถึงไม่เคยคิดบ่อยๆลืมไปเราไม่ได้ใช้มันนั่นเอง แต่ถ้าเราใช้มันนะรอบลองได้ว่าจะหาย ห, หมดเลยความโกรธความโลภความโง่ความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆดังนั้นขอให้พวกเราพยายามบังคับใจเราให้ฟังธรรมฟังในสิ่งที่เราไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกันถึงแม้ว่าฟังแล้วจะรู้สึกหดหู่ใจบ้างสแสลงใจบ้างก็ขอให้คิดว่าเป็นยาขมเป็นคุณเป็นประโยชน์ จะช่วยรักษาโรคของใจคือความทุกข์ความวุ่นวายใจให้หายหมดไปได้เหมือนกับการรักษาโรคเพื่อทำลายโรคมะเร็งต่างๆถึงแม้ว่าจะต้องเจ็บจะต้องปวดจะต้องใช้แสงจะต้องเสียผมไปแต่ก็เป็นเพียงชั่วระยะที่รักษาเท่านั้นเอง พอหยุดรักษาแล้วพอโรคหายแล้วเราก็จะกลับมาเป็นปกติได้ใจของเราก็เหมือนกันหลังจากที่เรารับประทานยาไปบ่อยๆแล้วต่อไปความหดหู่ใจก็จะหายไปความโลภความโกรธก็จะหายไปความวุ่นวายใจความทุกข์ใจความกังวลใจก็จะปหายไปเราก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไปตลอด จึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาฟังสิ่งที่เราไม่ค่อยได้ยินใด้ฟังกันนี้ให้ท่านได้นำมาไปพิิศพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์เพื่อความหายจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆของใจต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้